ครับพี่นกที่รักยิ่งครับถ้าเกิดว่าเราสังเกต ด, ดูนะครับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าเกิดมานั้นมีแต่ความยากลําบากตอนที่เราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องลําบากเราไม่ต้องทําอะไรเลยถูกไหมครับตอนที่อยู่ในคันมันดาตอนที่อยู่ในท้องแม่เราก็คืออาหารก็ต่อลิง k i เข้าตัวเราเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสร้างเป็นกระดูกสร้างเป็นเลือดเนื้อที่พวกเราสร้างพวกเร า, าในท้องของแม่ของเรา เมื่อชารกกระบดคือในรูปแบบที่วงทรงประสงค์ก็สร้างเรามาให้มีในรูปแบบนั้นก็ไม่ได้หนิดไม่ได้เหนื่อยแต่แค่ออกมาจากท้องแม่แป๊บเดียวครับเริ่มเหนื่อยแล้วถูกไหมครับออกมาจากท้องแม่ปุ๊บร้องร้องเพราะอะไรครับว่าเราว่าลราทำไมทิ้งเด็กร้องสารพัดเหตุผลแต่ที่แน่นก็คือความยากลำบากมาเริ่มตั้งแต่ต้องร้องเมื่อตอนหิวเมื่อตอนที่ว่าขับถ่ายเมื่อตอนอะไรก็ลาบากแล้ว อยู่ให้อาหารมาไม่ได้สกีมาไม่ไม่ม า, มมมาต้องปีนป่ายต้องเกี่ยวหานมของผู้เป็นมารดาเพื่อที่จะได้ดื่มนมนี่คือความยากลําบากที่พ่อเล่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้เกิดมาเนี่ยยังไม่มีความยากลําบากนะแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วมันมีแต่ความยากลําบากที่ว่ามันรออยู่เราต้องร้องไห้ซึ่งเด็กบางคนก็บอกจะร้องอะไรกันนักันหนาร้องทุกสองชั่วโมง นั่นคือความยากลาบากของเขาของชีวิตของเขาที่ว่าเหน็ดเหนื่อยทรมานอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงเขาต้องร้องเพราะว่าเขาหิวลำบากไ้ยลำบากเพียงแต่ว่าพวกเราลืมไปแล้วเพราะเราโตแล้วแต่ตอนเด็กเริ่มต้นมาปุ๊บลำบากว่ากันเป็นทุกสองชั่วโมงถ้าเกิดไม่นับว่าเป็นไข้ไม่สบายหรือมีอาการอื่นแทรกซ้อนถูกไหมครับผมหลังจากน้นเกิดอะไร้นดีครับเมื่อทานนมทำอะไรเสร็จแล้วครับก็พอเริ่ม จะโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต้องมีการหาข้าวกินแล้วก็ต้องมีการเคี้ยวก็ต้องมีการดื่มก็ปกติแล้วก็รู้ใช่ไหมคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเด็กบางคนนี่คือต้องสู้รบปบมือกว่าที่เขาจะทานข้าวคือขนมจะทานง่ายเหลือเกินจะทานข้าวนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหนื่อยคนเป็นลูกก็เหนื่อยขนาดจะกินดิสกี้จะรับดิสกี้พี่น้องที่ดูจะกินข้าวกินน้ําเหนื่อยหนักเลยพอฝึกที่จะคานพอฝึกที่จะเดินพอ อะไรต่างๆที่ว่ามันต้องมีการเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมพอจะมีการฝึกพูดพอจมีการฝึกเรียนพอเข้าไว้ต้องเข้าโรงเรียนแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยครับชีวิตเราเหนื่อยตั้งแต่เกิดมาแล้วพอจะเข้าอนุบาลปุ๊บมีเรื่องให้เหนื่อยมีอะไรต้องเรียนรู้มีอะไรสารพัดมันมีเล่นบ้างอะไรบ้างแต่มันเหนื่อยแล้วบางทีไม่สบายหายใจฝึกฝัดบางทีแค่หายใจก็ทําให้เหนื่อยได้ เราก็ได้คาร์ลการินเซนนะฟรีเกบัตมนุนั้นเอาเได้สร้างเขามานั้นเพื่อให้ชีวิตเขาต้องเหน็ดเหนื่อยพี่น้องโฟกัสตรงประเด็นนี้ให้ดีนะครับหลังจากที่พระองคกสาบานที่กับสามอย่างพวกบอกว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ว่าคุณจะเป็ น, นยังก็ตามเหนื่อยแน่นอนคุณต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เรารู้แล้วว่าเกิดมายังไงมันก็เหนื่อยพี่น้องจําประเด็นนี้ให้ดีๆนะเราเกิดมายังไงก็ต้องเหนื่อย จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมพี่น้องเหนื่อยแน่นอนยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กผู้ชายเด็กก็ต้องมีการทําคีตานทําซุนนัดอีกพอโตมาปุ๊บหลังจากเรียนรู้เสร็จปุ๊บอ้าวก็ต้องหาคู่ครองเหนื่อยไหมครับมีครอบครัวมีอามานะมีความรับผิดชอบมีลูกหลานแก่ตัวอย่าคิดว่าจะสบายนะแก่ตัวนี่คือบางทีลูกหลานก็ต้องช่วยดูแลอีกบางทีแค่เอาตัวเองให้รอดก็เหนื่อยสุดๆแล้วแค่จะเดินแค่กินข้าวผู้สูงอายุบางท่านกินข้าวก็ เหนื่อยแล้วก็เดาคอยแล้วก็นวกนในอินซ์เตอนฝีกระบาดหลังจากที่วอลซาบานพวกเราก็ได้บอกว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาให้ชีวิตเขามีแต่ความยากลำบากงั้นผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาจะลำบากต่างกันยังไงโอเคเรารู้แล้วประการแรกชนานอบี๋มัสสลลอย์สลัมบอกอินนัลลอฮะละมั่อะฮับบะเขาแมนอิบตัลละหุม เมื่อพวกล้อทรงรักใครพวกล้อก็จะทดสอบเขาหนักขึ้นอา่าป น, นึงนะครับมีพี่น้องที่แจ้งเรื่องเสียงซ้อนอยากทราบว่าวตอนนี้เสียงยังซ้อนอยู่ไหมครับตอนนี้เสียงเสียงซ้อนอยู่ไหมครับผมขอมาบทีถ้าเกิดผมผมเพิ่งจะมาดูนะครับผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอช่วยช่วยช่วยพิมพ์บอกมานะครับเผื่อผมจะได้เช็คดูว่าผมตั้งค่าตรงไหนอ่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้เสียงได้เลยครับ อ, อัลฮัมมอัลฮามดยดีแ ล, ล้วอัลฮามดยดีแล้วจะซากุมละอ้อยแค่รังครับผมคือเอ่พอพราะเวลาอัดนะครับถ้าเกิดว่าเปิดดูทาง facebook ไปด้วยเพราะาบางทีผมต้องดูคอมเมนต์ของพี่น้องที่ ท, ที่รักนะครับผมพอดูคอมเมนต์บางทีถ้าผมลืมปิดเสียงในเฟซเสียงมันก็จะสอนก็ขอมาฟัด้วยครับผม เอาครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงว่างั้นผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเกิดมาต้องเหนื่อยใช่ไหมต้องเหนื่อยแต่ว่าเป็นความเหนื่อยยากที่มันต่างกันต่างกันตรงไหนครบับมีข้อดีกับมีข้อที่ว่าหนักอยู่ข้อหนักก็คือท่านนบีมัสลลอยสลามบอกอินาลลอฮ์ละม่าอะฮับเบะก้วมันอิบต่ละหุมเมื่อผู้ล้อรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดผู้ล้อจะทดสอบกลุ่มชนนั้นมากเป็นพิเศษเพราะโลกนี้คือห้องสอบ ทดสอบเพื่อให้เขาพิสูจน์ตัวว่าเขาคู่ควรกับความรักความเมตตาของพวลร้อยอย่างแท้จริงในโลกหนะ้่ฝ่ายนั้นต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยผู้ศรัทธาเหนื่อยไหมเหนื่อยผู้ไม่ศรัทธาเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เมื่อเป็นผู้ศรัทธาปุ๊บบททดสอบอาจจะหนักขึ้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากครับแต่ว่า มันไม่ใช่มีแต่เรื่องเหนื่อยยากการเป็นผู้ศรัทธานั้นมีข้อดีมากมายมหาศาลแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะจำเป็นจะต้องเป็นถ้าเขาอยากมีความสุขตลอดกาลไม่ต้งองรอถึงโลกหน้าครับไม่ต้งองรอถึงโลกหน้าเอาแค่โลกนี้ครับผมผู้เรากล่าวในคุรานครับว่าตอใหมาอันซ oh ึลนล้ยกลุคุรานทจะชกอิลลาทักุรตัลมย์ชาตันซีลัมมิมันขลักัลอดดะวะสเมาติลูล ในสุรัต่อฮาครับอย่างที่พวกเราทราบก็คือสุรัตที่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ท่านอุมะริยลลอฮฺหัวใจรับอิสลามเมื่อท่านได้ยินสุรัตนี้เมื่อตอนที่น้องสาวของท่านได้อ่านให้ท่านฟังหัวใจท่านสันสทานแล้วท่านการ็ร้องไห้อายะกรานี้พวกเรากล่าวว่าไงครับตอฮามาอันเจลนาอะเลกัลกุรอนานะริทัชกเราไม่ได้ส่งคำภีร์อัลกุรานี้มาเพื่อสร้างความยากลําบากให้กับเจ้านะ เจาอาจจะคิดว่าเป็นมุสลิมแล้วยากลําบากอยากจะกินหมูก็กินไม่ได้อยากกินเหล้าก็ไม่ได้อยากคําซีนาก็ไม่ได้อยากทําความชั่วร้ายอบายมุกต่างๆอยากทาก็ทําไม่ได้แต่พราะเราบอกไงครับจริงๆแล้วนะอัลกุรอานที่เราประทานมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําให้เกิดความยากลําบากในหัวใจของเจ้านะไม่ใช่ทําให้เกิดความขับแค้นในหัวใจสําหรับมุสลิมเราครับบีดิกล ล, ลาฮิตะสมาอินุกูรูปถูกไหมครับเวลาเราคึดถึงพระองค์ เวลาเราอ่านอัลกุรอานเวลาเราได้ละหมาดหัวใจเราจะสงบเวลาเราไปยุ่งกับจุนยามากๆเวลาเรายุ่งกับลูกหลานยุ่งกับหน้าที่การงานยุ่งกับการเรียนยุ่งกับอะไรก็ตามเวลาที่ว่าเราได้มาอยู่นิ่งๆมาเปิดคัมภีร์อัลกุรอานของพงแล้วก็อ่านต่อให้เราไม่เข้าใจความหมายก็ตามเช่นเดียวกับการลัลึกถึงอัลลอฮ์พอเรานั่งปุ๊บอาจจะตอนกําลังทํางานแล้วก็อ่านซุบฮฺฮานัลลอฮฺซุบฮฺฮานอัลลอฮฺอลัลฮะมดุลิลลาห์ อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอัลบับเวลาอ่านแล้วมุสลิมเราเป็นไงครับใจเราสงบถามว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยคนที่ลำบากประเภทไหนที่ใจเขาจะสงบคนที่ผ่านบททดสอบเยอะๆแล้วเขาเข้าใจความหมายของชีวิตมุสลิมเราเข้าใจความหมายของชีวิตชัดเจนครับเราเข้าเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตมันคือบททดสอบมันคือการทดสอบเมื่อเราเกิดพอัลลอฮฺก็ทดสอบเรา ทดสอบด้วยความรักแล้วพงให้ความช่วยเหลือด้วยเวลาแล้วเหนื่อ ย, ย, ยปุ๊บเราก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะหลงทางเราเริ่มไม่ได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เราเริ่มยุ่งกับดุลยามากเกินไปมุสลิมเราก็ยังมีทางเลือกที่ว่าเราก็ไปเยื่อหลุมฝังศพพี่น้องที่รักครับท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าหัวใจไม่สงบท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าฉันเครียดเหลือเกินท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าดุลยาไมมันหนักเหลือเกินสำหรับฉันลองหาเวลายาม ค่ำๆชวนเพื่อนไปถ้าเกิดมันปลอดภัยพี่น้องลองไปดูที่หลุมฝังศพไปสลมให้กับพวกเขาหลังจากนั้นก็ลองไปคิดว่าในดูอาเวลาเราสลามให้กับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเราบอกว่าไงครับว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์บิคุมลาฮิกูนความหมายเนี่ยตอบย้ากับตัวเองแล้วด้วยความต้องการของพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราต้องการเราจะต้องมาอยู่ร่วมกับท่านเรามาคิดดูว่าคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเขาจะมีเรื่องเครียด ในดุนยาอะไรเหลือหรือเปล่าเขาจะเครียดแบบที่เราเครียดไหมเขาจะเซ็งไหมที่มีคนโกรธมีคนเกียดมีคนนินทาถ้าถึงหลุมฝังศพแล้วเขาจะเครียดแต่ว่าฉันน่าจะดาลึกถอยร้อยให้มากขึ้นนะทําไมฉันขาดละหมาดละ่ะทำไมฉันไม่ได้อ่านอัลกุรอานละ่ะทำไมฉันถึงไม่ได้ทําความดีอย่างนั้นทําไมฉันถึงไม่ได้ทําความดีอย่างนี้ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปหลุมฝังศพยามค่ําคืนไปไนดะ้ดำมนลึกดุนยาจะส่งผลกับพวกเรา น้อยลงใจเราจะสงบมากขึ้นต่อให้บททดสอบจะหนักแค่ไหนก็ตามเราก็รู้แล้วว่าดุนยาเนี่ยหนักแค่ไหนมันก็มาจบที่หลุมฝังศพหน้าที่การงานคนรักหู่คองครอบครัวอะไรก็ตามแต่ดุนยาจบแค่หลุมฝังศพแต่เมื่อไปถึงหลุมฝังศพแล้วไม่มีคำว่าจบอีกแล้ว มันคือจุดเริ่มต้นมันก็จะไปต่อไปเรื่อยๆมาอนเจลเนอไอเลกัลกูรอานาลิกอเราไม่ได้ส่งคำพีมาเพื่อสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าอินเลตเตอร์เตลีไมยัชานอกจากมันจะเป็นการเตือนสตินอกจากว่ามันจะเป็นข้อคิดให้กับบรรดาผู้ที่มีความหวาดกลัวต่ออัลลอฮ์ตันซีละมินมันคาละลอัลดว์สเมาเวติลูลา เป็นการส่งมาจากบรรดาผู้จากขอม้าครับเป็นการส่งมาจากผู้ที่สร้างบรรดาฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินพอเราเป็นผู้ส่งมาผู้ส่งสูงส่งผู้ส่งใหญ่ส่งคำพีมาเป็นคำพีที่ว่าด้วยกับการอ่านคมภีนั้นเพียงแค่อักษรเดียวก็ได้แล้วสิบความดีแล้วก็มันยังเป็นการรักษามันยังเป็นการเยียวยามันยังเป็นความเมตตามันยังเป็นแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ศรัทธาเรา พี่น้องที่รักยิ่งครับเราก็ดีคอละกนใ น, นอินเซ่นะฟีกบาทแนนนเราสร้างมนุษย์มาให้อยู่ในความยากลาบากพี่น้องที่รักในเบื้องลึยนนัเติมมีดีครับจากท่านอบูฮเราะห์ท่านอบูเราะห์ได้พูดไปครับว่าฉันได้ยินท่านนบี ม, ม, มูฮัมมัดสลลาะฮสละมครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้พูดไป ว, ว่าอัดดุนยามาลาอูะตุนมาลอูนุนฟะฮฺ ดุนยามล عون ต์มล عون ์ไม <ized> ่แ <yeah to S 1> ีหะัลละซิคร์ลลาว์มะวลาห์หู์วะาลิม์วะมุตะห์วะมุตะลิม์อัลกะมะซ์ัละซลลละหนลิสัลละมะฮะลิซัล่ะฮะลิซัลละฮะ้ิซั้ละฮะลิซาลละฮะลิซัลละน้ําทะเล อะไรก็ตามแต่ A, ที่มันเป็นดุนยาครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าดุนยาทั้งหมดนั้นมันถูกสาดดุนยาทั้งหมดนั้นถูกสาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยาเนี่ยถูกสาบหมดเลยพี่น้องอยู่ในดุนยาไหมล่ะถ้าพี่น้องอยู่ในดุนยาพี่น้องก็ถูกสาบผมอยู่ในดุนยาไหมผมอยู่ในดุนยาผมเองก็ถูกสาบคําว่าถูกสาบแปลว่าอะไรทาไมพวกเราถึงสาบสาบแช่งสิ่งที่อยู่ในดุนยา เพราะว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในดุนยาเนี่ยมันจะดึงสติมนุษย์มันจะดึงสติคนให้ลุ่มหลงอยู่กับมันแปลกไหมล่ะพี่น้องพวกเราบอกงี้ครับเราก็เดคอรลักการ์อินสแตนดนะ์เฟีกกบัตแน่นอนเราสร้างมนุษย์มาให้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยให้มีแต่ความยากลำบากที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนที่อยากจากดุนยา เราเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเราอยากจะเก็บหอมรอมริษณ์เงินสักก้อนหน่อย ไ, ไปเที่ยวจังหวัดที่เราอยากไปอาจจะไปกรุงเทพอาจจะไปเชียงใหม่ลงใต้มีเงินหน่อยอยากจะไปต่างประเทศอย่ากจะไปญี่ปุ่นอยากจะไปเกาหลีไปเที่ยวสักสองสาวันอาทิตย์หนึ่งเดือนนึงแล้วกลับมาเหนื่อยต่อมีกําลังให้เหนื่อยต่อแล้วทั้งทั้งที่ว่ามันมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยอ จ, จะมีความสบายบ้างแต่ความเหน็ดเหนื่อยรอคอยเราค่อนข้างจะมาก แต่เราก็ยังผูกพันอยู่กับดุนยาเราก็ไม่อยากจากดุนยาไปไหนท่านนบีมศ ส, สละก็เลยบอกครับว่าแน่นอนดุนยานะ่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสาบแช่งนะทุกอย่างเลยที่อยู่ในนั้นถามว่ามีข้อยกเว้นไหมเพราะว่าตามปกติทุกอย่างมักจะมีข้อยกเวน้นท่านนบีมศ ส, สละบอกว่าอิละนอกจากมีข้อยกเว้นครับทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาได้ถูกสาบแช่งมีสิ่งที่ไม่ถูกสาบแช่องอยู่สี่อย่างดิกรุลนเหร การล้ำลึกถึงพระ อ, องค์อัลลอฮ์พราะผู้ใดที่ล้ำลึกถึงพระอัลลอฮ์ดุนยามันจะมีผลกระทบกับเขาน้อยลงเขาจะมีความกดดันกับดุนยาน้อยลงเขาจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมากขึ้นแล้วเขาจะทุ่มเทให้กับการทําตนให้อัลลอฮ์รักมากขึ้นและอย่างที่ผมย้ําเป็นประจำครับการล้ำลึกถึงพระอัลลอฮ์นั้นคือการที่เรารำลึกด้วยกับหัวใจเราจริงๆจะเสียงดังเสียงค่อย ไม่ไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญประเด็นสําคัญคือว่าใจต้องมาด้วยคือถ้าเกิดเราเน้นแต่เรื่องทําคะแนนการรำลึกเสือลลอล้อนั้นไม่ทําให้ใจเราสงบทําคะแนนทําแต้มคืออะไรครับโอ้กล่าวอันนี้ได้สิความดีกล่าวอันนี้ได้ร้อยความดีกล่าวอันนี้ได้แสนความดีได้แสนขั้นสนใจแต่เรื่องของผลที่จะตามมาแต่ลืมไปว่ากว่าจะได้อย่างนั้นมันต้องมีคุณภาพเหมือนกับบางทั้นเวลาละหมาดครับเราอาจจะรีบ ล้มาเสรุอัสสลามกุลบุลละอัสสลามลุลลสมารลสมารลสาลสมาลมันรีบเกินไปเอาให้ครบส3มสิสามมาทนีร์สาสามล็อกบัสสาสบสามแล้วก็ไล่แล้วแล้วว่าอะไรก็ตามแต่เรากบัสามสีก็ตามเมื่อมันไร้คุณภาพสำหรับผู้ล็อกผู้ล็อกก็ไม่รับมาสิครับเวลำึกถึงอัลลอ์ก็ซุบฮานาลอฮ์ขอสรตอัลลอฮ์นะมหาสุติดพรองคซุบฮานาลอฮ์พี่น้องลองสังเกตดูผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายท่านอย่างน้อยพี่น้องที่มามีส่วนร่วมในที่ ผมขออนุญาเอ่ยนามได้เนาะ อ, อ, อย่างพี่น้องหลายท่านครับมีคุณมัดยามนะครับคุณสุรายาคุณฟ้าฮัตคุณสารนีคุณบันนีคุณซาดาคุณสกีนะทุกท่านแล้วก็ท่านที่ผมไม่ได้เอ่ ย, ยนามนะครับผมที่สลามาวัดกุสลามรบุรักราบุรักาตูผมมั่นใจว่าแต่ละท่านเนี่ยครับเคยมีประสบการณ์แน่นอนแล้วก็น่าจะได้ทําอยู่ก็คือว่าเวลาเราลำลึกถึงพวกล้อแบบค่อยๆทำนะแบบชา้ชาๆหรือเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจเรา มีสมาธิมากกว่าเราจะรู้สึกว่าเราสามารถจดจ่อเราจะรู้สึกว่าเราตัดโลกดุนยาได้มากเห็นด้วยไหมครับเวลาเราต้องอ่านแทนที่จะเป็นส่วนเราสมารเราสมารถเราสมารถเราสาอันนี้คือดุนยามันบีบเราเรื่อยๆยิ่งเร็วยิ่งใจร้อนยิ่งใจร้อนยิ่งอยากให้เสร็จเร็วๆยิ่งไม่เสร็จเร็วๆยิ่งเครียดมันเป็นกระบวนเลยแปลกนะลำลึกถึงอะไรบางทีมันยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งเครียดอยากให้มันจบไปไวแต่ถ้าเกิดว่า เราล้ำลึกแบบที่ควรจะเป็นนะอย่างคุณสกีนะคุณซาดาผมเองนะครับเวลาอ่านอ่านแล้วอ่านสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺท่ามกลางความเร่งรีบท่ามกลางอะไรความร้อนลุ่มในใจเราถ้าเราค่อยๆมานิ่งๆแล้วค่อยๆล้ำลึกถึงอัลลอฮฺเราจะสงบถึงแม้ว่าชีวิตเราจะมีความยากลําบากเราก็ค่อยๆทํางานของเราบางทีงานมันรอยเยอะเหลือเกินเนี่ยกองไว้เนี่ยเป็นสิชั่วโมงไม่เสร็จแน่นอน แล้วก็ Al illah, okay. อาคำดูลินแล้วโอเคมีงาน10ชั่วโมงงั้น10บชั่วโม ง, งนี้จะเป็น1ิบชั่วโมงที่ฉันจะได้ผลบุญเป็นพิเศษอ่ะเปิดกุรานไปด้วยฟังกุรานไปด้ว ย, วยแล้วก็ทำงานไปด้วยหรือแม้นก้วก็นึกถึงพระองค์แล้วก็ทำเอาเสร็จงานหนึ่งชิ้นฉันอาจจะอ่านอะไรก็ได้สักอย่างไปลายลายลาย้ลานต่สุบฮานะกะอินกุลตูมินัตอดอรลีมนมีพระเจา้าในนอกจากพระ อ, องค์นะสุบฮานะขอสดีแต่พระ อ, องค์ ผมนั้นฉันนั้นเป็นผู้ที่อาธรรมต่อตนเองก็ค่อยๆมีสมาธิกับสิ่งที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็กับสิ่งที่เราทํามันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับท่านอาบีบอสซาลิสระบทว่าสิ่งที่ไม่ถูกสาบแช่งมี4ี่อย่า ง, อ ย, างอย่างแรกก็คือการล้ำลึกถึงอัลลอห์วามาวาลาหูหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในระดับเดียวกับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นการอ่านอัลกุรอานเช่นการละหมาด เฉียนการจ่ายสก้าเฉียนการถือสินอดแล้วมีสมาธิจดจ่อกับการถือสินอดเชียนการทําความดีกับเพื่อนบ้านเชียนการทําความดีกับพ่อแม่เชียนการทําอามานะอะไรก็ตามที่อยู่ในสถานะของการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คืออะไรก็ตามที่เราทําเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักที่เรารักษาอามานะนะเพราะเราอยากให้เรารักอยากให้อัลลอฮ์รักเราที่เราต้อง จาจีจำชัยกับลูกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเกลียดไม่ใช่เพราะเราโกรธแต่เป็นอามาณาอัลลอฮ์มอบเขามาให้เราดูแลเราก็อยากทําของเราให้ดีที่สุดอะไรก็ตามที่อยู่ในสถานะเดียวกับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ท่านอับดุลเบี๊อมุสลลอย์สลามบอกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกสาบแช่งเพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่พวกเราทุกคนทําสามารถโยงมาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักได้หมดเลยพี่น้องต้องเข่าเว้นกะดึกต้องเข่าเว้นกะเชา้า แค่ล้ำดึกถือ All ่อล้อในใจไม่ยากหรอกถ้าเป็นช่วงที่แบบว่ามันโฟกัสไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่มีช่วงเวลาที่โฟกัสถึงอัลลั์ได้เลยยิ่งใจเราผูกพันกับอัลลัฮ์มากเท่าไหร่ก็ตามเราจะยิ่งมีความสงบแล้วมีสมาธิกับการทำงานนั้นและก็มีความอดทนกับการทำงานนั้นมากขึ้นสังเกตดูยิ่งเรา ใจร้อนยิ่งเราร้อนรนยิ่งเราเร่งรีบยิ่งเราอยากทําให้มันเสร็จเร็วๆมันยิ่งใช้เวลานานเหมือนกับว่ายิ่งรีบเนะี่ยมันยิ่งวุ่นถูกไหมครับยิ่งรีบบางทีเนะี่ยมันยิ่งเลอะเทอะเลยเทีไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับลําลึกเฉลี่ยร้อ Allah? ไม่ถูกสาบแช่งแน่นอนอันที่สองอะไรก็ตามที่อยู่ในสาระของการล้ำลึกเฉลี่ยร้อ Allah? อันที่สามท่านอบีเสริมเข้ามามันจริงๆมันก็อยู่ในสองข้อแรกนั่นแหละแต่เสริมเข้ามา อัลลิมอิลาอัลลมันหรืออัลลิมุนควา ม, ออมาับก็คือผู้รู้ผู้รู้คือผู้ที่ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ที่แตกฉานคือการมีความรู้แตกฉานเพราะต้องศึกษาอยู่กับความรู้ต้องอ่านกับตำรับตำราต้องมีการนำเึกถึงเัื่อข้อลตลอดเวลาแล้วก็คําว่าผู้รู้คือผู้ที่ทําได้ตามที่ตัวเองรู้มันยากตรงนี้แหละการเป็นผู้รู้เรียนให้รู้นี่ก็ยากแล้วนะทําตามที่รู้เนะี่ยยิ่งยากเลย อิลาอาล่อาลมุลบางคนบอกว่าฉันเป็นอาลิมไม่ไหวหรอกใจฉันเป็นอลับตอนนี้ใจฉันมาเป็นมุสตาหิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกท่นานอับดุ i เบีวร์มัสยิดบอกวาหาครับเอมูตาอาลีมุลหรือผู้ที่กำลังศึกษาศึกษาสิ่งที่ทำให้อัลลอรักเขาบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปเรียนเข้าโรงเรียนฟัดดูอีนฉันไม่ได้อะไรฉันจะได้ความรู้ที่อัลลอฮ์รักไหมอย่างฟังบรรยายก็เป็นการศึกษาความรู้ที่ลอ AH รัก หรือพี่น้องจะเรียนอะไรก็ตามแต่จะเรียนแผลจะเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิชาอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดพี่น้องมีใจโยงไปถึงความรักความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับเราเรียนอยากให้อัลลอฮ์รักทุกอย่างก็คือการเรียนรู้ที่จะไม่ถูกสาบแช่งเพราะนั้นง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในดุ n y a ทั้งหมดที่พี่น้องเห็นพี่น้องไปเที่ยวที่ไหนก็ตามทั้งหมดเป็นสถานที่ที่ถูกสาบแช่งหมดเลยถ้าการไปที่นั้นแล้วเราไม่ได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ เพราะะถามว่ามาซิมไปเที่ยวได้ไม่เที่ยวได้สิแต่ว่าอย่าลืมยิ่งเรารำลึกเถอะละเรายิ่งมีความสุขหัวใจยิ่งปลอดโปร่งไปเที่ยวขึ้นดอยโอวิว oh, สวยจังเลยซุบฮานัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺมาคอล็กต่ฮาเจบลตี้แหละขอสดีแต่ละเนี่ยเราไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาอย่างไร้ประโยชน์ไร้สาระเลยนะสวยงามเหลือเกินมีดอกสีม่วงมีดอกสีเหลืองมีสีแดงมีสีสม้ม มีสีเขียวขจีให้เราดูมีท้องฟ้ามีหมอกมีอากาศเย็ยนสบายอัลฮัมดุดลิลละการไปเที่ยวนั้นก็ได้ผลบุญแม้แต่จะเอนกายจะนอนหลับบิสมิกลลอฮมานามูตุวนานะยา น, นี่ยนเหนื่อยแลือเกินะวันนี้ฉันขอพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนด้วยเดี๋ยวฉันจะได้ตื่นมาเพื่อเน็ตเหนื่อยต่อไปฉันจะได้ทาบิบาดาต่อเลาะต่อไปการนอนนั้นก็ไม่ถูกสาบแช่ง ก็เป็นการนอนที่ได้ผลบุญเพราะนั้นพี่น้องที่รักครับมนุษย์ถูกสร้างมาให้ยากลําบากแต่ว่าบุคคลที่จะไม่ยากลําบากคือบุคคลที่เขามีใจที่ผูกพันกับพวระลอสตลอดเวลาต่อให้เขาเจอหนักแค่ไหนเขาจะไม่บ่นว่าเหนื่อยเขาจะไม่บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วเขาจะไม่บอกว่าฉันแย่เขาจะไม่บอกว่าฉันไม่ได้เรื่องหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่างที่พวกเราพูดย้ําเป็นประจำมุสลิมนั้นจะมองพระลอสในด้านบวกอยู่เสมอมองพวระลอสด้านบวกเสมอ จะเหนื่ยแค่ไหนก็ตามอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกับที่มันผ่านมาทุกวันเราเริ่มตน้นตอนเช้าแล้วเราก็มาจบในตอนกลางคืนมันก็หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่พวกเราทุกคนนั้นจะเสียชีวิตแล้วก็กลับไปหาพระองค์เราก็จคอละ ก, ละกนในอินเส้นนะฟีกาบัดแน่นอนมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีแต่ความยากลําบากนักอธิบายกุลานบางท่านบอกอายะกุลาณนี้ประทานมาเพื่อ อธิบายถึงตัวตนของท่านนาบีมัซลอร์ลองฮะลิสลัมคำว่าอินซานี่หมายถึงท่านนาบีคือเราได้สร้างนาบีมาให้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เราทราบก็คือท่านนาบีมัซลอร์ลองฮะลิสลัมนั้นจะถูกทดสอบหนักกว่าคนธรรมดา2เท่าทุกเรื่องที่ท่านโดนจะหนักกว่าคนธรรมดา2เท่าซึ่งสำนวนของนักวิชาการครับอัลอิบรบรอห์บีอุมูลลัฟส์ละบีคุสุสิซเซบ แต่ประเด็นตอนนี้ก็คือดูเอาตามสํานวนเมื่อสำนวนพวกเราพูดกว้างถึงมนุษย์ทั้งหมดมันก็ครอบคลุมมนุษย์ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ชะวาท่านอาบับดุลเลาะห์หุ้มอะไรนี่สัลสลัมครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะเราถูกสร้างมาให้เหน็ดเหนื่อยถูกสร้างมาให้ยากลําบากถ้าเป็นผู้ไปเสียสลาความยากลําบากของเขามันไม่ส่งผลอะไรไปถึงโลกหน้ามันจบแค่โลกนี้เขาอาจจะได้หรือเขาอาจจะไม่ได้ในโลกนี้อาจจะรวยอาจจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะไม่ประสบ ความสาเร็จหรืออาจจะอะไรวุรว่ลวายอะไรแต่สำหรับมุสลิมครับความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากของเราถ้าเราเหน็ดเหนื่อยเรายากลำบากในฐานะของบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนั้นจะไปเป็นดอกเป็นผลให้กับพวกเราในวันกียามะมันไม่ใช่การเหนื่อยฟรีซึ่งก็ต้องขอเตือนนะครับพี่น้องที่รักครับอย่าทาตัวให้ต้องเหนื่อยฟรีบางคนบอกฉันเป็นมุสลิมในโลกหน้าเป็นของฉัน แต่บางทีไม่ระวังคําพูดไม่ระวังพฤติกรรมไม่ระวังเวลาพิมพ์เวลายุ่งกับโซเชียลอะไรเราก็อาจจะกลายเป็นมูฟลิสมูฟลิสก็คือบุคคลล้มละลายก็คือแทนที่ว่าจะมีอะไรเยอะเยอะกักตุนอะไรไว้โลกหน้าเยอะแยะเลยแต่ผลก็คือไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับที่ว่ามีครั้งหนึ่งซอบะพูดกับนบีบอกนบีถึงเรื่องของผู้หญิงคนนึงบอกยาลอซูว่าผู้หญิงคนหนึ่งนางละหมาดนะนางถือซิ้นอดนะนางจ่ายสกาดนะนางทําความดีมากมายเลย แต่ว่านางนั้นไปพูดจาทำร้ายจิตใจเพื่อนบ้านพูดจาว่าร้ายเพื่อนบ้านทำความดีเยอะแยะเลยนะฟัดดูครบเลยละหมาดใจสากาัดถือสิโนดทำความดีมากมายแล้วซอบาพู้หิคนี้ทำความดีมากมายแต่ว่าปากของนางเนี่ยเพื่อนบ้านไม่รอดผลถึงเวลานางก็ไปด่าไปว่าไปทำร้ายจิตใจ ท่านอบีมัสลายสลัมสรุปเป็นคำพูดคำเดียวที่น่ากลัวมากท่านอบีบอกว่าลาคอยรอฟีฮะฮิยฟินนารตนางนั้นไม่มีดีอะไรเลยซักพิลล้อแล้วมาแต่พี่น้องใจายสกาดนะถือสส ด, ด็จทาความดีแนละท่านอบีสรุปคําสั้นสัว่าลาคอยรอฟีฮานางนั้นไม่มีดีอะไรเลยแล้วที่พํานักของนางคือไฟนรกนะอูซูบิลาบินซาลิกเขาล็คุมของพวกเราทุกคนฮะดีสบุ น, นี้ไม่ได้ประนามผู้หญิงไม่ได้บอกว่าผู้ชายดีกว่าไม่เกี่ยวเลย เพียงแต่ฮะดีษบทนี้อธิบายให้เรารู้ว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าละหมาดสิ่งที่เราเรียกว่าสะกาสิ่งที่เราเรียกว่าฮัจสิ่งที่เราเรียกว่าการถือสิ้นอดถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นแต่อีมาดเราไม่เพิ่มขึ้นถ้ามันไม่ห้ามใจเราจากการทำความชั่วก็เหมือนกับเราไม่ได้ทำมันเล ย, เลยแปลว่าเราละหมาดเป็นละหมาดที่เราไม่รับ พอพระลักษณะว่าอินัสโซแล้ต่ตันหาอินฟาชายัยเวลามุ่งกัศถุไหมครับแน่นอนการละหมาด จ, จะห้ามปามจากสิ่งชั่วช้าลามกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาถ้าเราทําแต่พฤติกรรมไม่ดีเรามันไม่ลดเลยมันก็แปลว่าเราไม่ละหมาดนั่นก็คือละหมาดไม่ถูกตอบรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากตรวจสอบดูง่ายๆเวลาทําอิบาร์แล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นไหมอิหม่านเพิ่มไหมนั่นแปลว่าอินชาร์ร้อยอิบาร์นั้นอลรอรับแล้วพอทําแล้ว คนอื่นรอบข้างเราเนี่ยรอดปลอดภัยจากนิสัยไม่ดีของเราด้วยไหมยอย่างบางคนเน่ยละหมาดเหมือนจะเข่งคัดแต่ถึงเวลากลับบ้านปุ๊บตบตีคู่ครองบางทีอาจจะตบตีลูกหลานโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรไม่สบอารมณ์เฉยๆไปเก็บอารมณ์เครียดมาจากที่อื่นอันนี้แปลว่าอีบาร์ด้าที่เราทํานั้นสอบตกแปลว่าอีบาร์ด้าที่เราทำนั้นสอบต ก, อ, บาา อ, บตกอย่าไปคิดว่าฉันทําอะไรความดีมากมายซึ่งเหมือนกับอายาตต่อมาครับ เนี้ยต่อมาพวะเราบอกว่าไงครับหลังจากที่พวกเาบอกว่าลราก็จะคอยักษาอินซันอพีกระบาดแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีชีวิตยอยู่ในความยากลําบากพวกเราได้กล่าวต่อครับว่าอายะซับอัลเลยยกติรออัลเลยฮิอัฮัดเขาไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าที่เขามีชีวิตยอย่างลําบากตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันต้องมีคนกําหนดอะไรให้เขาเลยพวกเราบอกว่าอายะซพวกเขาคิดหรือว่า จะไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้พวกว่าบอกว่าคิดสิบางคนถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาไม่บอกเดียใครจะมาทำอะไรฉันได้เนี่ยเอลเลอร์จะมาทําอะไรมาลรัก้าจะมาทําอะไรไม่มีใครทำอะไรฉันได้นอกจากตัวฉันเองพวกว่าบอกว่าคิดดีดีมีสติหน่อยเจ้าไม่เห็นหรือว่าเจ้าถูกสร้างให้มีความยากลําบากตั้งแต่เกิดแล้วเจ้าเหนื่อยตั้งแต่เป็นเด็กแล้วจะเหนื่อยตั้งแต่เริ่มโตแล้วจะเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วเจ้าก็เหนื่อยทุกวัน เจ้ายังคิดอีกหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดเจ้ามั่งมีหรือว่าเจ้าร่ํารวยหรือว่าเจ้ามีอํานาจหรือว่ามีพลัง ก, กำลังจะไม่มีใครสามารถทําอะไรเจ้าได้กระนั้นเหลือเวลาไม่สบายเนะี่ยลำบากไหมมันก็ลําบากจะรวยจะแข็งแรงจะเข้มแข็งจะมีฐานะอะไรแค่ไหนก็ตามเวลาท้องเสียมันก็คือท้องเสียเวลาท้องผูกก็คือท้องผูกเวลาเป็นไข้ก็คือเป็นไข้เวลาเกิดอุบัติเหตุก็คือบัติเหตุ บางคนถอยรถมาซูเปอร์คาร์วันแรกปุ๊กก็เสียชีวิตด้วยกับซูเปอร์คาร์กันนั้นอินาลิลาไปอายะซาบุอลลรยะกเดียร์เราอะไยฮีอาห์พ่อแล้วบอกว่ามนุษย์เน่ยคิดหรือว่าไม่มีใครสามารถจะทําอะไรเขาได้อีกความหมายหนึ่งครับยะกเดียรในที่นี้หมายถึงกอดอกัสดัสมนุษย์คิดหรือว่าไม่มีใครกําหนดอะไรให้กับเขาถ้าแปลความหมายที่สองเมื่อเทียบกับอายะก่อนหน้านี้ก็สอดคล้องกันเป็นอย่างนี้ มนุษย์ถูกสร้างมายากลําบากนี่เอาล้อกำหนดไว้แล้วไงมันเป็นส่วนหนึ่งของกรดอ ก, กรรัตอะไรเงว่ามนุษย์เกิดมาต้องยากลําบากมันต้องลําบากอยู่แล้วเพราะนั้นพี่น้องจะดพอไปทําไมคือมันต้องลําบากอะพี่น้องคือแทนที่จะมานั่งตีโพยตีพายมานั่งเศร้ามานั่งทอสู้เอาเวลามาสร้างกํำลังใจให้ตัวเองเอาฮึปเอาเอาล้อสร้างฉันมาเพื่อให้ความยากลําบากนะและอิสลามก็สอนฉันว่าความยากลําบากมันมี2 อ, อย่าง ความยากลำบากที่มันไม่ส่งผลโลกหน้ากับความยากลำบากที่มันส่งผลไปโลกหน้าด้วยคือเป็นความยากลำบากที่มันส่งผลดีๆไปถึงโลกหน้าเพราะนั้นเลือกสิมันต้องลำบากอยู่แล้วเราก็เลือกพี่น้องก็เลือกพี่น้องอยากไดลลำบากอยากโดนคู่ครองอาธรรมอยากโดนคู่ครองโเลิมอยากโดนคนรอบข้างทำร้ายอยากโดนคนด่ว่าอยากโดนคนใส่ร้ายโดยที่พี่น้องไม่ได้ผลบุญอะไรเลยหรือเปล่า เพราะบางคนถูกเขานินทามาก็ดินทาเขากลับถูกเขาด่ามาหนึ่งคำด่ากลับเขาไปสิบคำแทนที่จะได้ดีกับเขากลับกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยต้องฉุดกันลงไปในความตกต่ำเวลวร้ายลงไปทั้ทงคู่อะยะซบูอันเลยยาโกเดรออัเลยฮอาหัดเขาคิดหรือว่าไม่มีจะไม่มีใครอีกแล้วที่ว่าสามารถทำอะไรเขาได้กระ น, นั้นหรือทั้งๆที่ชีวิตเขาก็เจอความยากลาบากมาขนาดนี้เหมือนกับว่ากลุ่มชนของ นบีซาลูลเขาก็บอกว่าี่ยใครจะมีพลังกาลังมากกว่าเราเยเราสามารถเจาะภูเขาอยู่ได้หรือกลุ่มชนของอาดหรือแต่ละกลุ่มชนที่เขาคิดว่าไม่มีใครทําลายเราได้หรอกแล้วผลก็คือพวกเราก็ทําลายให้เขาเห็นเลยโดนมากี่กลุ่มชนแล้วนครับในหน้าประวัติศา ท, ทั้งกลุ่มชนมนุษย์แทบจะสูญพัน์หมดทั้งโลกพี่น้องลองคิดดูอย่างนี้ยุสมัยท่านนาบีนี่ว่ามนุษย์ลอดเฉียดฉิวจากการสูญพันสูญพันธ์ก็คือ มนุษย์ที่หลงเหลืออยู่มีเหลือแค่บนเรือเท่านั้นถ้าพวะองค์ร้องให้เหลืออับปางซึ่งพระองค์สามารถทําได้ถ้าพวะงต้องการถ้าพวกอลค์ร้องให้เรืออับปางเราก็สูญพันุ์นมนุษย์ก็จบอิยาเซบุอไลยะกระเดีร์หรออไลฮีหัดเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครนั้นสามารถทําอะไรเขาได้นักทัพซีนนักตถาที่บายกุรานครับได้ พูดกันว่าอายาคุรานี้น่าจะถูกประทานมาให้กับคนที่ชื่อว่าอาบิลอาชัดบินกาลาดาอัลจูมาฮีอาบูอัลอาชัดบินกาลาดาอาบูอชัดบินกลาดเนี่ยครับผม mm hmm. เขาเป็นคนที่ว่าเชื่อว่าตนเองเนี่ยมีพละงกำลังไม่มีใครสู้เขาได้ถึงขั้นว่าเขาเคยเหยียบบนแผ่นหนังคือยืนเหยียบบนแผ่นหนังะพี่น้องที่ ด, ดูเอาแผ่นหนังมาแผ่นหนึ่ง ยืนเหยียบแล้วให้คนสิบคนเนี่ยดึงแผ่นหนังให้มันหลุดไปจากเท้าเขาพลังกำลังที่เขามีที่อะล้อให้คนนี้มีอาบูอัลอาชัดบินกาลาละเนี่ยเขายืนอยู่บนแผ่นหนังแล้วให้คนหนุ่มชะการสิบคนดึงไม่มีใครดึงได้ออกแรงสุดๆผลก็คือหนังขาดคิดดูออกแรงจนหนังขาดแต่ก็ไม่มีใครสามารถลากหนังทั้งหมดไปจากเขาได้แปลว่าอะไรครับมีพลังกาลัง แล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยใครจะไปมีความสามารถอะไรจะทำอะไรฉันได้ซึ่งอบูอาชัดบินกาลาดาเนี่ยครับเชคกุตตบีได้บอกไว้นะครับว่าภายหลังจากที่พวกเราได้ประทานอาย์กุรานที่พวกเราบอกเกี่ยวกับสภาพนรกว่าอเลฮัติสอาตาอาชหลังจากที่เราบอกว่าในไฟนรกนั้นพวกอัลล์ให้มีมาลาิกาที่ดูแลชาวนรกทั้งหมดกี่คนครับพี่น้องชาวนรกนี่มี กี่ล้านไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเ า, าลาแต่ว่าเยอะมากเพราะวมีทั้งมนุษย์มีทั้งยินแล้วจะมีอะไรอีกเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าชาวนรกมีจานวนมหาศาลเกินจินตนาการผู้ลกล่าวว่าไอเลฮาติสอตัอาชาลอให้มีมารายาทที่เฝ้าเพื่อจัดการลงโทษชาวนรกทั้งหมดนั้น19เ้ท่านด้วยคนด้วยกันมีแค่ส9ท่านความยิ่งใหญ่ของลมผู้ศรัทธาเราพอได้ยินปุ๊บอัลลอฮุอัคบั ทั้งหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้กี่ล้านล้านคนเนี่ยนะพวกเราใช้เมรกิกาแค่สิบท่านเอาอยู่หมดเลยลงโทษแบบต ล, ลอดการได้หมดเลยเอลอสุภาอาลอความยิ่งใหญ่ของอลาสช่งางยิ่งใหญ่แล้วเมรกิกาแต่ละท่านนี่จะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนนี่คือผู้ศรัทธาจะคิดแบบนี้แต่อย่างอบบุลอาชัดบินกาลาดาเขาถือว่าตัวเองแข็งแรงไงเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขาพูดกับพวกกุเล คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยอบูจาห์นได้พูดก่อนอบูจาห์นบอกว่าไงครับยาคุเรชเนี่ยชานได้ยินน่ยอิบนูอบีกัฟชาอิบนุอบีกับชาก็คือลูกของพ่อของแกะลูกของพ่อของแกะคือเป็นฉายาที่อบูจาห์นเรียกท่านอบีด้วยกับการดูถูกคือเรียกนบีเหมือนว่าเป็นแค่แกะน้อยเป็นแบบเด็กเมื่อวันซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับคือเวลาเขาเรียกลับหลังอับีเขาจะเรียกว่า อิบเนอบีกับชาอบูจานได้บอกครับกับชาวกูเรสบอกเนี่ยอิบเนอบีอัสนะฉันได้ยินเนี่ยอิบเนอบีกับชาชันดียเนี่ยมุฮัมมัดสุลตานของอเลสซัลัลล ม, มเนี่ยบอกว่าในนรกนั้นจะมีมาเลกะสิบเก้าคนสิบเก้าตนสิบเก้าท่านพวกท่านจะไปกลัวอะไรล่ะโอ้โหถ้าเกิดบอกมาอย่างนี้นี่สบายเลยพวกเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ชายเรามีพละงกาลังจะไปกลัวอะไรเนะี่ย เราทั้งเผ่าเนี่ยแค่ทั้งเผ่าเนี่ยจะสู้มาลกาสิบเก้าตนไม่ได้ให้มันรู้ไปอับุลอาชัดบินกะระดาพอได้ยินครับเขาบอกว่าไงครับโอเคนะถ้าอย่างงั้นไม่มีปัญหาไม่ต้องซีเรียสเลยนะทั้งสิบเก้าตนเนี่ยเดี๋ยวฉันคนเดียวจัดการเองดูครับความยโสของเขาคือถือว่าคนสิบคนเก้าเขาไม่อยู่แนตะ่เขาถือว่ามาราก้าแค่สิบเก้าท่านเนี่ยจะอะไรแค่เแค่ไหนเชียว เขา บ, บว่าเนี่ยเดี๋ยวทั้งสิเก้าท่านเนี่ยฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันเล่นให้พวกท่านไม่ต้องกลัวพวกท่านที่เหลือก็เดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปสวรรค์เลยก็คือพูดเหมือนว่าเอามาเป็นเรื่องขบขันว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่ท่านบีมัสเธอสลัมพูดอยู่แล้วแต่ครับว่าเออเนี่ยก็อ่ะนะมูฮัมหมัดบอกว่ามีใช่ไหมมีนรกใช่ไหมมีคนดูแลสิบเกตนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจัดการอีกสิเกตนเนี่ยพวกเจ้าวิ่งขึ้นสวรรค์ไปได้เลยพี่น้องของเขาครับพี่น้องเขาบุตรชัดเนี่ยชฮริส ฮาดิสบินคาดาบอกว่าไงครับหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวฉันช่วยฉันไม่เก่งเท่าพี่ฉันแต่ว่าเดี๋ยวฉันจัดการมาเละกาให้สิบเจ็ดตนอีกสองตนพวกคุณช่วยกันจัดการจัดการไม่ได้ให้มันรู้ไปนาอูซูบินละครับนาอูซูบินละนี่คือคำพูดที่เกิดจากความขาดเข่าอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพวกเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพี่น้องที่รักยิงครับ ว่ากันว่านะครับอันนี้คือที่นักตถาที่บายกรุรอไทรคนคว้ามาจากคัมภีร์โบราณแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังถูกผิดอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าัลลอฮล่มครับว่ากันว่ า, วาท่านอบีบรอฮีมเนี่ยภายหลังจากที่ว่าได้ขอให้พวกอัลลอฮ์เนี่ยให้ท่านเห็นว่าพวกอัลลอฮ์ฝุ้นคืนชีพยังไงอันนะตูติอ่ะขอมาฟัครับที่ว่าไกฟัตุฮนมาตา่ พวกลอช่วยให้ฉันเห็นได้ไหมว่าพวกลอฟุ่นคืนชีพยังไงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรารู้ก็คือพวกลอชก็ให้ท่านอับดุลฮีมเชือดนกเอานกมาเลี้ยงก่อนแล้วก็สับแล้วก็เรียกอะไรตรง น, นั้นผมคงไม่เล่าซ้ำละประเด็นก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้นครับพี่น้องหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยท่านอับรุลฮิมได้บอกว่าคุยกับมราร์กินมูตเพราะมราร์กินมูดเป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวดีให้กับนาบียุบรอฮิมไม่ได้มาเก็บปีญญาพวกลอชเลือกให้ท่านมาแจ้งข่าวดีให้กับนบบอีอ้นนคืตามที่นักถิบายกาุบอกไว้ ประเด็นก็คือว่าท่านอิบิบพรีมบอกว่าขอฉันเห็นสภาพท่านตอนเก็บวิญญาณได้ไหมคือมริลกลนมูดเนี่ยตอนมาหาท่านบาบิบพรีมไม่ได้มาในรูปลักษ์ของตอนท่านไปเก็บวิญญาณมันในรูปลักษ์ไหนวะเราไอาลำแต่ที่แน่นๆคือท่านบาบิบพรีมบอกว่าขอฉันเห็นได้ไหมว่าท่านตอนที่มาเก็บวิญญาณเนี่ยรูปลักษ์ท่านเป็นยังไง ท่านอับดุลเบห์มก็มาในรูปลักษ์แรกก็คือรูปลักษ์ที่ว่าเก็บวิญญาณของคนดีท่านอับดุลรบห์มพอเห็นรูปลักษ์นั้นของมลิกินมูตของมรรคที่มาเก็บวิญญาณคนใจ ท, ท่าน บ, บอกว่ายา่าละเพียงได้เห็นมาลิกินมูตที่มาเก็บวิญญาณคนดีๆมันก็เป็นความสุขความอิ่มเ อ, อิบเป็นความพึงพอใจเป็นความสุขที่สุดยอดที่ว่าดุลยายไม่มีอะไรเทียบได้อีกเลย ก็คือชีวิตดุงยาเหนื่อยมาทั้งหมดผู้ศรัทธาตอนจะเสียชีวิตมีซักการะตุนโมทใช่ไหมครับที่ว่าเป็นความเหนื่อยยากครั้งสุดท้ายของพวกเราทุกคนเป็นความเหนื่อยยากครั้งสุดท้ายก็คือความทรมานก่อนเสียชีวิตแต่เมื่อจะเสียชีวิตนะครับบรรดาผู้ศรัทธาในเมริกาที่ดีงามจะมาในรูปรักษ์ที่งดงามรูปรักษ์ที่สวยงามพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่เคยมีในดุงยาทั้งหมด แล้วมารกรินมูดก็จะบอกว่าจิตใจที่สงบแล้วเอ๋ยกลับไปหาเอาล้อนะเอาล้อพอใจเจ้าแล้วแล้วเจ้าก็พอใจพระ อ, องค์มันเป็นความสุขที่เกินจิตนาการทีนี้ครับมารกรินมูดครับพอมาหาท่านอวิปริภิมในรูปลักษ์ที่เก็บวิญญาณคนดีแล้วทีนี้ท่านอบีก็บอกว่าขอเห็นรูปลักษ์เวอร์ชั่นสองหนะ่อยเวอร์ชันแรกนี่เก็บวิญญาณคนดีใช่ไหมขอดูเวอร์ชันที่เก็บวิญญาณคนที่ชั่วร้ายหน่อยจะมาในรูปลักษ์ไหน ท่านอิ้วเรีมก็จำแรงในรูปลักษ์ที่จะมาเก็บวิ ญ, ญญาณของคนชั่วให้ท่านอวิ้วบรอยหมเห็นท่านอวิ้วเรีมเมื่อเห็นครับสลบเลยครับด้วยความน่าสะพึงกลัวด้วยกับความสยดสยองด้วยกับเกินจินตนาการถึงขั้นว่าอวิ้วบรอยหมคอริลุลล์สลบไปแล้วเมื่อท่านฟื้นขึ้นมาท่านบอกว่ายาบ ล, ล่ะแค่เห็นมาริกลินมูธในรูปลักษ์ที่มาเก็บวิ ญ, ญญาณของคนชั่วเนี่ย มันก็ทรมานยิ่งกว่าความทรมานทั้งหมดที่ใครแต่และคนเคยเจอมาในรุนยาซะอีกแปลว่าสุดท้ายมาวัดกันที่ตอนเสียชีวิตพี่น้องจะสุขแค่ไหนก็ตามันไร้ค่าเลยถ้าถึงเวลาตอนเสียชีวิตมาลกินมุตมาเก็บชีวิตของเราในสภาพของเมื่อท่านมาเก็บวิญญาณคนช่วร้ายนะโอซูบิไลมินดาลิกแต่ว่าไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าเราจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตามเราจะทรมานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดจุดสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่เราเหนื่อยจากสก๊อตต้นมอสไปแล้วหลังจากที่ผ่านจากความทรมานก่อนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อมาเลยก์กามาเก็บวิ ญ, ญญาณเราแบบดีๆมาแบบเรียบง่ายเหมือนกับผ้าไหมที่พักไว้แล้วก็จับแล้วก็ดึงออกแบบเรียบง่ายมันเป็นความสุขเกินจินตนาการซึ่งผมก็ขอดูอาให้ทั้งผมแล้วก็ให้พี่น้องที่ผมรักทุกท่านนะครับได้เจอกับ ท่านมารีกินมูตในเวอร์ชันที่ว่ามาเก็บวิ ญ, ญญาณของคนดีด้วยนะครับอาเมนครับ<อ>พี่น้องที่รักยิงครับในยัตต่อมาครับหลังจากที่พนุษย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอายาสหลังจากที่พนุษย์กล่าวว่าอายัสบุอลไยักดีรอยอะไรหิอหัดเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้อย่ากู้หรออันนี้คือเขาพูดละอะเล็กตูมาและลูบาดาอัานได้2แบบนะ ยากูลูอัฮเลกตูม a ลลูบบาดะหรือยากูลูอัฮเลกตุมาลลูุบาดะทั้งสองแบบท่านอับดลมัสรอยสลัมอ่านครั้งหนึ่งท่านอ่านแบบลูบบาดาอีกครั้งกอ่านแบบลุบบาดาทั้งสงการอ่านเป็นการอ่านที่มุตวาเตสก็คือสามารถอ่านได้พี่นักทีก่รักยิงครับท่านอิมหรวปัสเนี่ยเขาบอกว่าไงครับในยาคลาเนี่ยพวกรบอกว ah ่ายากูลูอัลกตูมาลลูบบาดะมนุษย์เนี่ยเขาคิดว่าไม่มีใครจัดการเขาได้ใช่ไห กับการที่เขาจะไปพูดว่าเนี่ยฉันได้ใช้ทรัพย์สินมากมายมหาศาลเหลือเกินสุบานลลัคฉันได้บริโภคทรัพย์สินมากมายมหาศาลได้ใช้ทรัพย์สินมากมายมหาศาลอายะคุรานี้ครับเราจะเห็นถึงสภาพนิสัยลึกๆของมนุษย์แทบจะทุกคน มนุษย์เราเนะี่ยอย่างที่เราทราบเรามีความสุขกับการสะสมทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยแค่สะสมทรัพย์สินเนะี่ยมันยังไม่ใช่ความสุขมากพอเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้เอาไปใช้มันเวร์เวอร์แล้วได้ไปให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นรับรู้ให้คนอื่นฟังโอ้เนี่ยนะฉันเพิ่งไปเที่ยวมาเนี่ยปีที่แล้วไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยปีนี้ว่าจะไป อ่ะยุโรปหน่อยเสียดายติดโควิดเดี๋ยวปีหน้าไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปอะไรต่อนี่คือคนที่ว่างหัวใจไม่ได้ผูกพันกับบอลล็อตความสุขของเขาส่วนหนึ่งก็คือการได้อวดให้คนรับรู้ว่าเขาได้ใช้ทรัพย์สินมหาศาลหมดไปกับอะไรถูกไหมครับอย่างบางทีถ้าเกิดนายการเลยละแสนหรือละล้านก็เขย่าอยู่นั่นแหละให้ดูโอ้นายการเลยเนี่ยฉันซื้อมนันสองแสนกว่าสามแสนกว่าซื้อมาล้านกว่า เนี่ยกระเป๋าเนี่ยใบละลาเนี่ยรองเท้าบางทีก็ไม่ได้พูดแต่ว่าใส่ให้ดูเชิดให้ดูบางทีก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์อินสตาแกรมั่ง Facebook มั่งเพราะอะไรครับอยากให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขาได้ใช้ทรัพย์สินมหาศาลเขามีความสุขแบบคนมีอันจะกินเขาเป็นคนที่น่าอิจฉาทั้งๆที่ททลึกๆในใจเขาอาจจะมีความทุกข์ที่ไม่มีใครรับรู้เลยก็ได้แต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผมย้ำครับที่ไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ หนึ่งในความสุขเล็กน้อยที่เขาพอจะหาได้ก็คือเขาต้องมีทรัพย์สินมากพอแล้วได้ทันหลงมันเยอะพอแล้วต้องให้คนอื่นรับรู้ด้วยเขาถึงจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขแค่ชั่วปเดี๋ยวประดาถ้าเขาเจอคนที่เกทับเขาที่ทำอะไรที่บริโภคทรัพย์สินมากกว่าเขาความสุขเขาจะเหลือไหมความสุขก็ไม่เหลือกลายเป็นความอิจฉากลายเป็นความริษยา อย่างที่มีรายงานวิจัยมากมายครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์จะเป็นอาจจะเป็นเหรือว่าจะเป็น i n s t a g r a กรมไปอะไรก็ตามเป็นหนึ่งในสื่อที่ทำให้คนเกิดความเครียดเพราะความอิจฉามากเยอะมากเพราะดูปุ๊บเห็นแต่ภาพลักษณ์ที่สวย ๆ, ๆที่เขาจะเอามาอวดไงหุนดีใส่เสื้อผ้าแพงๆใช้ของแบรนด์นมอยู่กับความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอะไรก็ตามต่ ยากรูอ um al ัฮะลักตุมาละลูบาดาพวกเขาเนี่ยกล่าวว่าเนี่ยฉันใช้ทรัพย์สินไปอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินซึ่งอย่างในยักุรานนี้ที่ประธานมาที่ชันิบบลบาสบอกไว้ก็คือว่าพูดถึงอบูอาชัตเนี่ยแหละบินอลัอ ล, อลกลัลลาเนี่ยหลบินกัลลาดเนี่ยแหละเขาบอกว่าไงเนี่ยเนี่ยฉันจ่ายเงินไปเยอะเหลือเกินนะในการที่จะทำลายอิสลามเอามาอวดเหมือนกันทางทที่ในความจริงเขาไม่ได้จ่ายเลยเลยนะคือ ดีแต่ปากประมาณนั้นเป็นคนโกหกครับบางคนบอกว่ามีอีกบุคคลหนึ่งที่ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำลายอิสลามขอชื่อว่าฮาริสบินอาเมธเคื่องจ่ายทรัพย์สินมหาศาลเพื่อทำลายอิสลามแล้วก็ไปอวดกับบรรดาคนที่ไม่ดีด้วยกันอ่เอละกตูมาละลุบนาเนี่ยฉันได้ใช้เงินไปมหาศาลเหลือเกินเนี่ยเพื่อที่จะทำลายอิสลามเพื่อจะทาลายมสยิ ไม่ว่าอย่างไงก็ตามครับพี่น้องที่รักครับเราได้ข้อสรุปจากอญญาย่นี้ถึงสรรชาตยานของมนุษย์หรือธาตุแท้ของมนุษย์ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มนุษย์นั้นจะมีความทรนงจะมีความเย่อหยิ่งยะโสแล้วความสุขของเขาคือการที่ได้ให้คนมาเห็นเวลาที่เขาได้บริโภคเวลาที่เขาได้ใช้สิ่งอะไรก็ตามที่มากมายมหาศาลเพื่อให้คนทั้งหลายนั้นได้มาอิจฉาเขา งานแต่งหมดไปเป็นล้านเนี่ยฉันจัดเนี่ยแค่เค้กอย่างเดียวก็หมดไปเป็นแสนเนี่ยแค่ดอกไม้เนี่ยสี่ห้าแสนหกแสนอย่ากู้รู้อะแลกดูมาแล้วูบดแพวกเขาจะพูดกันพวกเขาพูดกันพวกเขาได้พูดว่าฉันนั้นได้บริโภคทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลและเกินพี่น้องที่รักิองครับสําหรับคนเป็นมุสลิมเนี่ยคำพูดประโยคนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่แสดงถึงความอ่อนแอของอี إ ي ่านเราอย่างแท้จริง เพราะอะไรครับเพราะมุสลิมเรารู้แล้วเราเชื่อมั่นว่าทุกบาต ท, ทุกสตางค์ของเราจะถูกทดสอบอย่างหนักจะโดนตรวจสอบอย่างหนักนี่คือเหตุผลที่ว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมากจะได้เข้าสวรรค์หลังจากคนยากจนเพราะว่าเขามีอะไรต้องตรวจสอบเยอะบางคนบอกก็ฉันรวยนี่ฉันจะซื้อลอราคากี่สิบล้านร้อยล้า น, านฉันรวยฉันทําได้พี่น้องที่รักครับพเพราะล็อตตรวจสอบเป็นบาตเป็นทีละบาททีละเหรียญทีละเหรียญ น, นะพี่น้อง พวกเราไม่ได้บอกว่าโอเคคุรวยคุณใช่อย่างนี้คุณโดนทดสอบแค่นั้นแครนี้ไม่ใช่นะเหลือข้าวเม็ดหนึ่งจะเป็นคนรวยจะเป็นคนโจนโดนสอบสวนเหมือนกันทำไมถึงเหลือข้าวเม็ดหนึ่งอย่างบางคนกินข้าวไม่กล้ากินหมดกินแล้วต้องกินอะไรหลูๆแล้วต้องเหลือเยอะให้คนอื่นดูถ้ากินหมดกลัวไงครับกลัวเขาบอกว่าอดอยากอู้ไม่ได้เดี๋ยวเสียหน้าไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์ม พนักมุสลิมเราครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เยอะเกินไปเราจะยิ่งกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นโอยาล้อในเทนวันนี้ฉันกินเยอะเกินไปเนี่ยทําไมสุนนะนี่ฉันทําไม่ได้สักทีที่ท่านอบีบอกแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนทํำไมฉันมีแต่อาหารอาหารแล้วก็น้ํามนุษยเราจะเครียดเราไม่ใช่มาอวดว่าเนี่ยฉันก็กินมาแล้วนี่ฉันก็กินมาแล้วนี่ฉันก็ไปเที่ยวแล้วนี่ฉันก็มีแล้วนี่ฉันก็ผ่านมาแล้วมันคืออะไรเราต้องการอะไรกันอวดเพื่ออะไร มุสลิมเรารู้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะที่อลอคเกลียดมากที่สุดคือการโอร้อวดแต่ตามหน้าเฟซครับเราจะพบว่ามีมากมายมหาศาลเหลือเกินที่ว่ามุสลิมเรานั้นกาลังพฤติกรรมอวดบางคนก็บอกว่าก็แค่อยากให้เขารู้ก็อยากให้เขารับทราบก็อยากอะไรก็ตามแต่พี่น้องมันเป็นเรื่องอันตรายนะเรื่องของการโอร้อวดเนี่ยโดยเฉพาะความคิดที่ว่าอันนั้นฉันก็ลองเป็นความสุขอันนี้ฉันผ่านมาแล้นี่มีแล้ฉันเก็บแต้มทําสกอร์ทำอะไรได้หมด นั่นหมายความว่าทั้งหมดที่เราผ่านมาทุกเม็ดทุกหน่วยทุกสตางค์เราจะถูกขั้วล้อสอบสวนอย่างหนักมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรจะามาอวดกันหากเราได้สิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละบิน ม, มติทะมะติฮิต ต, ติมุซาลิฮะด้วยความเมตตาของอั้วด้วยความโปรดปานของพระองค์สิ่งดีงามจึงสําเร็จได้แล้วถึงได้รับสิ่งที่ดีฮาดามินฟัตติรับบีนี่คือความโปรดปานจากขั้ว เวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็อัลฮัมดุดลิละอะไรกุลีหันขอบคุญละมั่งไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ขอบคุญละมั่งมุสลิมเราต้องมีสติโดยเฉพาะทุกคําพูดโดยเฉพาะทุกพฤติกรรมที่ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการโอ้อวดพี่น้องระวังให้ดีเพราะท่านนาบีอัลลอฮฺะลอมบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่มันจะเกิดกับประชาชาติของฉันที่มันจะเข้ามาเหมือนกับมดดําอยู่บนหินก้อนสีดําในยามค่ามืดมิดคือมันเข้ามาแล้วเราไม่รู้ตัวดที่ซ้ำว่ามันเข้ามาแล้ว ท่านบดบียว่ามันคือการโอร้อวดเพราะฉะนั้นแทบจะทุกคนที่โอ้อวดเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังโอ้อวดอยู่พี่น้องระวังคำนี้ให้ดีๆทุกๆคนที่เขากำลังโอ้อวดเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังโอ้อวดอย่าหาข้ออ้างมัดง่ายให้ตัวเองบางคนบอกว่าฉันพูดไปงั้นฉันพูดอย่างนี้ฉั น, ฉนแค่นั้นฉันไม่ได้คิดอะไรมากมาเลฟัสมินลิน อีหละเลยที่รอกีบุนอาทิตย์เพราะเลากล่าวไว้ในคุรานค่ะว่าเขาจะไม่มีคําพูดไหนหลุดออกมานอกจากว่าจะมีรอกีบกับอาทิตย์ที่ว่าคอยบันทึกอยู่บันทึกความดีที่ทําบันทึกความชั่วที่ทําไม่มีคําพูดไหนไร้สาระผมหมายความว่าทุกคําพูดที่พูดแต่ยไม่มีคําพูดไหนที่ว่าจะไม่ถูกบันทึกไม่มีคําพูดไหนที่ว่าจะไม่ถูกสับสวนครับพี่น้องที่รักครับอย่กูลู อหลักตูมาลลูบะด า, าระวังอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ระวังคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่าให้เขามาทำให้ใจเราต้องไม่สงบอ ย, อย่าให้เขาต้องมาทำให้ใจเราอิจฉาขอบคุณเอา้อในสิ่งที่เรามีเชื่อในเรื่องกระดอกกระดัด๊อะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอะไรไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราโลกนี้เราไม่ได้ไม่ซีเรียสเพราะโลกนี้เดี๋ยวมันก็จบไปแล้วเราเปอรอโลกแนอย่าได้อิจฉาริษยากัน อย่า้ด่าว่าร้ซึ่งกันและกันครับพี่น้องที่รักครับผมหรวันนี้ครับเราก็หยุดอยู่ที่อาย่นี้นะครับผมก็สรุปที่เราพูดทั้งหมดนะครับก็ละอุกซิมุ و ن ت ح ل ب ه ذ ا ا ل ب ل د و و ا ل د و م ا و ل د ل ق د خ ل ق ن ا ل ن س ا ن ف ي ك ب د ي ح س ب ل ا ي ق د ر ع ل ي ه ح د ي ق و ل ه ل ك ت م ا ل ل ب د มนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีชีวิตที่ยากลําบากเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครนั้นสามารถทําร้ายอะไรเขาได้ทําอะไ ร, รทําอะไรเขาได้ทําไมเขากล้าพูดทําไมเขาถึงพูดว่าฉันนั้นได้บริโภคทรัพย์สินอันมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้องที่รักครับไม่ว่าทรัพย์สินจะมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามถ้ามันไม่นํามาซึ่งอี إ ي ่านถ้ามันไม่นํามาซึ่งความสุขมันก็เป็นทรัพย์สินที่น่าอพยศสิ้นดี บางคนครับอาจจะทะเลาะ ก, กันด้วยกับการที่มีเงินมากแต่ว่าไม่รู้จะใช้เงินยังไงบางคนอาจจะบอกเนี่ยจะจัดงานใหญ่ๆเนี่ยทำไมมีเงินแค่แสนจะพอหรือเปล่าในขณะที่อยู่ครอบครัวหนึ่งเขาอาจจะมีความสุขกับการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ม, มีอาหารเล็กๆมีข้าวน้อยๆให้ได้กินแต่เขาอาจจะมีความสุขพูดคุยกันอย่างมีความสุขและเขาไม่จะเป็นต้องไปอวดอ้างใคร เขาไม่จําเป็นต้องเคยทานอาหารเลิศรลเขาไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวที่หรูหรูเขาไม่จําเป็นต้องมีของแบรนด์เนมใช้แต่ความสุขกับอีหม่านมันก็เติมเต็มในหัวใจของเขาได้เหมือนกับบรรดาที่ซบาบะเป็นตอนนี้ครับเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วอยู่ในกลุ่มที่พูดไม่ว่าอย่กูลูอัลลักตูมาลลูบาดาและอยู่ในกลุ่มนี้ไหมที่บอกว่ามีความสุขกับการที่ได้ปไปอดคนอื่นว่าฉันนะ่ยผ่านการใช้อะไรมามากมายแล้วก็ขอเตือนพี่น้องที่รักนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับว่าอดัดจุนญาเนะี่ยสิจนุน เดี๋ยวมุมินว่าใจในตุลิแกพระดุนยาเนี่ยมันเป็นคุกสําหรับผู้ศรัทธาเพรา ะ, ะนั้นถ้ามันจะอยู่แล้วลำบากไปบ้างก็อดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่าห่วงแต่จะเรื่องที่จะสบายอย่างเดียวมนุษย์มันต้องลําบากมนุษย์มันต้องเหน็ดเหนื่อยอย่าเหน็ดเหนื่อยให้กับดุนยาจนลืมเหน็ดเหนื่อยให้กับอาเคร้อไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่าลืมที่จะละหมาดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่าลืมที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่าลืมว่าเรายังมีสิทธิที่ต้องมอบให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่าได้ไปทําร้ายกันอย่าได้ไปทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตามอย่าได้ไปอิจฉาลิสิยาผู้อื่นเพราะพระองค์อัลลอฮ์นั้นเตรียมสิ่งที่เกินจินตนาการไว้ให้กับบ่าวผู้ศรัทธาที่มีความอดทนขอพระองค์ขอเพียงอย่างเดียวว่าเราพยายามให้เต็มที่ที่แระองค์ลลอฮ์รักเราครับผม สำหรับวันนี้ครับก็ถ้าพี่น้องท่านใดมีคําถามอะไรนะครับเรามีเวลาสักเล็กสักน้อยนะครับที่ว่าจะพูดกันก่อนจากนะครับผมสำหรับท่านที่สลามมานะครับก็ทุกท่านนะครับทั้งที่ผมเอเดนเมื่อเอเดนท่านที่มาในภายหลังนะครับคุณคุณยะยานะครับสลามมาก็ไว้ดีกุมสลามระตุล้อวะบารักาตุ้งครับผมคุณลูกมานหรือเปล่าครับบอกมีมีติดตามรับฟังอยู่ก็จะจากรูมุลโลหัวค่อยรอครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ อย่างที่ผมย้ำนะครับการเรียนรู้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมนุษย์เกิดมาเพื่อพบความยากลําบากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเรียนรู้ก็คือการทําในสิ่งที่เรารู้แล้วก็การพยายามอดทนผ่านบททดสอบของพวงล้อซึ่งผมก็ขอโดยาจากพวงล้อให้เรานั้นสามารถผ่านบททดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบททดสอบที่เราชอบหรือเราไม่ชอบด้วยกับความเมตตาขอล้อผ่านไปแล้วให้อล้อรักเราผ่านไปแล้วให้อีหมายเรา เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ขออย่าให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าชอบที่จะโอ้อวดคนอื่นขออย่าให้เรานั้นเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีความสุขกับการที่ว่าได้เผาผลาญสิ่งที่เอาละให้โดยที่ไม่รู้คุณของเอาละยาละขออย่าให้เรานั้นเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของบุคคลที่เนรคุณต่อพระองค์ ขอให้เรานั้นรู้คุณต่อพระองค์ขอให้เรานั้นได้ศึกษาพเพื่อพระองค์ขอให้เรานั้นได้รำลึกถึงพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นจากโลกนี้ไปโดยที่พระองค์รักเราแล้วเราก็รักพระองค์ด้วยเถิดอาเมานครับอกูลูกาลีฮวสักฟุลลอฮัลีวลุมวลิลมมวสรรรัยลิมุสลิ ม, ม ا أ ีนมินุลิดมวสักฟิรูฮอินฺนูวะลกฟรฮิมซุบฮานลลอฮมวยฮัมดิกะอัดุลลาลาอัลลอัลลอฮา